ห, ใใ ล, ใให ล, ลับตายจะได้เป็นตสวเป็นตาเตือนขึ้นมา แล้วก็นำมไลฟังเป็ิยามปารัมป ร, มปรกากัรจ้าพระราชรสมีเเรื่องอะไรที่ไม่สบายพระไทยหรือต่ยังอะไรก็ตามในตอนนี้ท่านมหาเสนาบดีก็ทำได้แค่เพียงตั้งคำถามอยู่ภายในจขงท่านว่าทำไมเนี่ยออนี่เนาะหลังจากที่นักเรียนเตรียมทหารได้แสดงยุทธวิธีการอรอบกัน อย่างสุดฝีมือแบบจัดเต็มในทุกกระ บ, บวนท่าแล้วนะจ๊ ะ, ก, ะ, ะก็ปรากฏว่าการแสดงในครั้งนี้เนี่ยได้สร้างความเพึงพาพระราชาหเดชัยกับพระราชาเป็นอย่างยิ่งซึ่งก่อนทีพระราชาจะเสด็จกลับพระองก็ทรงพาพระราชาโอรสซึ่งต่อมาคือพระราชาองค์ที่ออกบวชนะจ๊ะจะเดีเรามาตรวจเยี่ยมแถวนักเรียนเตรียมทหารในตัวของพระองค์เองเลย นี่เนาะอลอสเตย์กัเหมือนกะันซึ่งในขณะที่พระราชาและพระราชา อ, อรอาสกําลังเสด็จตรวจเยี่ยมแถวของนักเรียนเตรียมทหารอยู่นั้นพระราชากระซงกล่าวคําชื่นชมกับนกักเรียนเตรียมทหารบางคนสิ่งหนึ่งในนั้นก็มีท่านมหาเสนาบดีพวกเรารวมอยู่ด้วยสิ่งที่ทำใหท่านมหาเสนาบดีมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และก็เพิ่งติใจมากๆเได้รับคำชนจากพระราช า, าเพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเกียรติประวัติเกียรติยศและเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาให้กับคุณพ่อของท่านผมเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จพระราชามาในครั้งนี้ด้วยอ<า>โอ้หลังจากพระราชาเสด็จกลับไปแล้วเนี่ยนักเรียนเตรียมทหารชุดพิเศษจะคอยทาการฝึกฝนกันอย่างต่อนเนื่อง และหนักหนวนทามหลักสูตรพิเศษที่ทางกองทัพกำหนดมาและในระวางที่ทำการฝึกบางครั้งพระราชาและพระราชโอรก็ได้เสด็จมาท้บพระเนตรการฝึกของนักเรียนเตรียมทหารชุดพิเศษกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะส่วนพระองค์อีกหลายครั้งทีเดียวจะทำให้ท่านมหาเสนาบดีได้มีโอกาสสนทนา แล้วก็เกิดความคุ้นเคยกับพระราชโอรสในระดับหนึ่งทีเดียวอ้วว้าวาแต่ถึงกระนั้นท่านมหาเสนาบดีก็ยังคงสังเกตเห็นว่า<อ>คือท่านเป็นช่างก็ช<ส>่างสังเกตว่า<ส>พระราชโอรสยังคงมีความรู้สึกนิ่งแบบเฉยเฉยนี่นะยังเฉยเยอยู<ส>่แต่การฝึกของเรานักเรียนเตรียมทหารชุดพิเศษนี่เนาะ เออสิ่งทหารเสานาวดีก็ยังมาพระราชเจรถไม่ออกว่าทําไมทํำไงแล้วก็ทำไมยพระราชเจรถจึงไม่ยินดียินอะไรในสิ่งเหล่านี้เลยเวลานักเรียนเตรียมทหารทั้งหลายได้ตั้งใจฝึกฝนเริ่มเรียนวิชาทหารกันไปอย่างตลอดต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหารแต่ละคนก็ต่างก็ได้เดินทางกลับยังบ้านเกิดของตัวเองซึ่งท่านมหาเสนาบดีก็ได้ชวนเพื่อนๆในกลุ่มของท่านไปเที่ยว ง, งานเทศกาลฉลองประจําปีสึ่งจัดกันที่เมืองเกิดของท่านนะจ๊ะ ง, งานเทศกาลประจําปีนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ชาวเมืองทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าต่างตงรารอคอยและก็อยากที่จะไปร่วมงานด้วยกันทุกคน ไม่ใชเพลงเท่านั้นในช่วงที่มีการจัดงานประจําปีเนี่ยชาวเมืองทั้งหลายต่างก็พร้อมแจงประดับประดาตกแต่งบ้านเหลืองตัวเองด้วยช่อด อ, อกไม้หลากสีหลากสันกันอย่างสวยสดงดงามเลยนี่นะจ๊ะสำหรับภาพรวมของงานเทศกาลฉลองประจํำปีของเมืองซึ่งปบ้านเขืงท่ามหาเสนาบดีนั้น เขาจะมีการจัดการแสดงที่น่าสนใจในรูปแบบต่างๆอย่างมากมายใช้นกระโปรงแฮ่ดอกไม้เป็นต้นหลังจากนั้นชาวเมืองตลาดก็จะนําอาหารและขนมนมเหนีนนนยวมาออกอร้านกันอย่างคึกคักแล้วก็ในบางครั้งก็จะมีกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีถี่นำเอาขนมมาแจกให้กับพวกเด็กๆที่มาจากทั้งในเมืองและนอกเมืองกันอย่างเบิก บ, บานและวก็นกนานอีกด้วยนะจ๊ะ และที่สำคัญประเพณีการละเล่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์หรือเป็นสีสันที่โดดเด่นที่สุดของงานนี้คือประเพณีการแย่งชิงดอกไม้มงคลก็นำไปประดับไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองซึ่งทหาใครสามารถครอบครองดอกไม้มงคลนี้ได้แล้วแล้วก็ปวกคนนั้นจะถือว่าเป็นพระเอกหรือซูเปอร์ฮีโร่ประจำปีเลยทีเดียว oh. และในกาษที่ท่านมหาเสนาบดีกําลังพากลุ่มบุตรเพื่องท่านเดินเที่ยวชมภายในงานเทศกาลฉลิมพระจมพระเอกเมืองกัน อ, อย่างสนุกสนานใ่บริเวณลานกลางเมืองอยู่นั้นทอนในนั้นเองท่านได้เรือไปเห็นนี่เห็นเด็กๆสองกลุ่ม <c oughs> <c oughs> เรือไปเห็นเด็กๆสองกลุ่ม เยเะจะห่างจากกลุงนั้นไม่ไกลนักลองเยยปัททะคารมแบบประจารหน้าแล้วทำท่าเหมือนจะมีเรื่องอันนี่เนาะเมื่อท่ามหาเสนาบดีได้ฟังการปัททะคารมแบบหนึ่งก้อนอิดมาสองก้อนหินไปของพวกเด็กทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยท่านกับเพาะจะจับใจความเดีว่า เด็กทั้งสองกรมซึ่งกลุมหนึ่งเป็นเด็กเจ้าถิ่นที่อยู่ในเมืองอีกกลุมหนึ่งก็เป็นเด็กที่อยู่ชาญเมือง<ช>กำลังทะเลาะกันในเรื่องหวานหวน ว, ว้าวไม่ใช่หวานใจเนาะพูด <c oughs> <c oughs> ง่ายกำลังแย่งขนมหวานกันอยู่นั่นเองนี่เนาะแต่สถานการณ์ในขณะนั้นกลับไม่หวานดังขนม แล้อยู่ในขั้นที่ขมในระยะจัดหนักใเดียวขมระยะจัดหนักเรียกได้ว่าเครื่องร้านเต็มที่จนพร้อมที่จะตะลอยหรือแลกบาตกันได้ทุกเมื่อในระดับที่ว่าใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปโอ้กลังหยองมาเลยที่อโอ้นี่ยนะ ก็ปล่อยให้อยู่บนเวทีไปก่อนเนาะพระเจมหาเสนาบดีและกลมเพื่อนเพืงท่านเห็นว่าเหตุการณ์ชักจะมาค่อยจะดีและดูท่าทางจะบานปลายแต่ละกลมเพื่อนเพืองท่านจึงได้เดินกันไปหาเด็กๆทั้งสองก่มเพื่อที่จะช่วยยุติความอรนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ก่อนที่กรมของท่านมหาเสนาบดีจะเดินไปถึงทันใดนั้นก็ปรากฏว่ามีเด็กนมคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวธรรมดาธรรมดาแต่ลักษณะท่าทางดูเทพมากๆเลยคือลอแล้วสง่างามวรากรเทพบระวุตจำแรลงจะเดินพาเข้าอยู่ในกลางวงกระหว่างกลุ่มเด็กทั้งสองกลุ่มแต่ในขณะนั้นบรรยากาศค่อยจะมาคู่ หรือครุกรุนเคยเทอยเทียบความกระโดดเป็นไฟมหาพลัยต่างฝ่ายต่างกับร้อมเผาผลาญฝ่ายตรงข้ามให้แหลกรานเป็นจุนเลยนี่นะจ๊ะแล้วมาทันมหาเสนาวดีมองเห็นเด็กนุมเทพสุดคนนั้นเพียงแค่พระเดียท่านจําได้ชัดเป๊ะว่าเด็กนุมซึ่งดูดีและหล่อคันเทพบคนนั้น คือใายคนหนึ่งที่ท่านรู้จักา <laughs> มาเห็นดังนั้นแล้วท่านก็รีบพุ่งปลาเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือทันทีแต่เด็กน้งคนนั้นก็พลันยกมือส่งสัญญาณในตานองที่ว่าช้าก่อนเดี๋ยวเคลียร์เอง <laughs> ว่าเป็นเชนิดท่านมหาเสนาบดีจึงสต๊อ ป, ปุ หรือหยุดชะงักในทันทีแล้วทั้งกะเรียก็มาดูสถานการณ์อยู่ข้างๆอย่างห่วงห่วงแล้วทันทีที่เด็กหนุม่มที่ดูเหมือนกับเทพจำแรงคนนั้นโดยกำลังกลางวงระหว่างพวกเด็กทั้งสองกลุ่มพวกเด็กๆเริ่มเกิดอาการณนะขึ้นมาหนะจางเงินเหมือนอยังต้องคาถามมหาราลวยแล้วเลย แตนั่นเด็กนมที่ดูเหมือนกเทพเทพบุตรจจาแรงคนั้นก็ได้เรียกเด็กที่เป็นหัวจอกทั้งสองฝ่ายให้กับไปหาซึ่งก็เป็นเรื่องอม m a ิ่งหรือน่าสะใจใจมากที่หัวจอกของทั้งสองฝ่ายเดินก็นไปหาท่านอย่างว่า ง, ง่าย ร, ราก็ต้องมสนสะ์สกุลหลังจากนั้นกระบวนการการสอบสวนก็เริ่มขึ้นโดยเด็กนมที่ดูเหมือนกเทพบุตรจจาแรงคนนั้นก็ได้ซักถาม เรื่องราวความจริงของพวกเด็กๆเหล่านั้นได้ ว, วาจาแต่เพร่ะและอ่อนหวานซึ่งฝ่ายเด็กที่อยู่ชาญเมืองกระบชิงฟ้องขึ้นก่อนว่าโอเคกลุ่มหนึ่งได้แย่งขนองของพวกตัวเองไปเมื่อเด็กที่อยู่ชาญเมืองพูดจบลงเด็กนมที่ดูเหมือนกะเทพบุตรดจำแรงคนนั้นก็หาไปถามเด็กเจ้าถิ่นที่อยู่ในเมืองแห่งนี้บ้างว่าได้แย่งขนองของพวกเด็กอีกกลุ่มหนึ่งมาจริงหรือเปล่า ฝ่ายเด็กเจ้าถิ่นที่อยู่ในเมืองแห่งนี้เมื่อเห็นท่าทางเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วเนี่ยแม้จะดูแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่ ว, วไปแต่แววตาสีหน้าและท่าทางกลับมีอำนาจตะบะและดีชะอันหน้าเกรงขามแผดสะกดไปทั่วทั้งบริเวณได้เห็นได้เองฝ่ายเด็กเจ้าถิ่นจิมม่กร่าที่จะโกหกและก็ได้บอกไปตามความเป็นจริงว่า กลุ่มของพวกตนซึ่งก็คือกลุ่มเด็กเจ้าถิ่นได้ไปแย่งขนมพวกเด็กอีกกลุ่มหนึ่งมาจริงๆซึ่งในขณะที่พี่ๆ่าะบ้านกำลังแจกขนมให้กับพวกตอนอยู่นั้นพวกเด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็โกรธกันเข้ามารับขนมเหมือนกันพวกตนก็เลยคิดว่าเด็กชาญเมืองพวกนี้กำลังจะไปแย่งขนมของพวกตัวเองไปพวกตนก็เลยไปแย่งคืนมา จะยังไงก็ตามพวกเด็กกลุ่มหนึ่งก็มาต่อว่าพวกต้นก่อ น, นอ่านี่เนาะต้องมีหน่อยหน่อย <c oughs> มาเด็กนมที่ดูเหมือนกับ <c oughs> เทพบุตรจำแรงคนนั้นเต่ฟังเรื่องราวความจริงจากเด็กทั้งสองฝ่ายแล้วพอเป็นการยุติกรณีพิพากองเด็กๆทั้งสองฝ่าย <c oughs> เด็กนมจึงได้หันมาทางท่านมหาเสนาบดี เราก็ บ, บอกให้ทร่รารรมาเสนมาบดีช่วยไปตามพยายนปากเอกคนสําคัญซึ่งก็คือพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีที่ทําขนมมาขายและแจกเด็ก <c oughs> ให้มาช่วยเล่าถึงสาเหตุการทะเลวิวางเด็กทั้งสองฝ่ายซึ่งท่ารรมาเสนาบดีก็รีบปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่ลังเลในทันที <c oughs> แปลกดี <c oughs> และภายในช่วงไม่กี่อึดใจพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดี ที่ทำขนมมาขายและแจกเด็กก็ได้มายืนอยู่ในวงประชุมแห่งนั้นซึ่งพี่ผู้ใหญ่จะดีกับลายเด็กนมและทุกคนฟังว่าพวกเขาตั้งใจที่จะทําขนมมาขายและแจกให้กับพวกเด็กๆแต่พวกเขาก็แจกขนมให้กับเด็กทุกๆคนโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเด็กกลุ่มนั้นกลุ่มนี้จะมาจากไหนแต่ที่เด็กๆสองกลุ่มนี้ทะเลาะกันทั้งนี้ก็เป็นเพราะเมื่อสักครู่มีเด็กๆมารับขนมเป็นจำนวนมาก จะทําให้พวกเขาทําขนมไม่ทา น, นขนมทําให้ทานกันเลยทําให้แจกไปตัวถึงพอเด็กๆได้รับขนมไปตัวถึงสึกแย่งจริงขนมหวงังเด็กทั้งสองกลุ่มจึงได้เกิดขึ้นพอเด็กๆทั้งสองกลุ่มได้ฟังเรื่องราวจากพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีที่ทําขนมมาแจกแล้วสีหน้าแววตาตาทางผูงเ้เด็กๆก็เริ่มเปลี่ยนไปคือจากเดิมที่หน้าตาเด็กเดินลำไม้ รากับยักษ์แต่พอมาถึงจุดนี้หน้าตาเด็กๆทั้งสองกลุ่มก็เริ่มดูดีขึ้นเย็นขึ้นและพร้อมที่จะเข้าใจอะไรมากขึ้นออกไปจุดนิดเด็กหนุ่มจึงได้เรียกคนหน้าแก๊งของเด็กทั้งสองกลุ่มออกมาแล้วสอนให้เด็กๆทุกคนได้รู้จักการเสียสละและให้อภัยซึ่งเด็กๆทุกคนก็ตั้งใจฟังคําแนะนําหรือคําสอนเด็กหนุ่มด้วยความตั้งใจเป็นอย่างดี เมื else, yeah. wow. I I ่อสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายลงแล้วเด็กนมก็ได้หันไปบอกกับพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีที่ทำขนมมาแจกเด็กๆด้วยอร่อยเย้มและถ้อยคำดีไปหลาว่าวันนี้พวกเราจะขอย่านนั่งทานขนมแบบเหมาหมดร้านเลยและเด็กนมก็ไปรอช้าได้พาเด็กๆทั้งสองกลุ่มยกขยอกันไปที่หน้าร้านขนมได้ดันดี ซึ่งพวกเด็กๆก็เดินตามโดยจ่อยไปอย่างว่าง่ายหลัจากเด็กๆทุกคนจะเดินตามเด็กหนุม่มคนนั้นไปแล้วท่านมหาเสนาพอดีก็ได้เดินตามเด็กหนุม่มคนนั้นไปด้วยเด็กหนุ่มเนาะในตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศที่เคยขมุกขโมยด้วยความโกรธก็เปลี่ยนเป็นความสนุกสนานเบิกบานโดยมีเด็กหนุ่ม ซึงวันนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กไป็นแสแล้วเนี่ยเป็นศูนย์กลางของบรรยากาศอันชื้นมืดเด็กๆทุกคนก็เริ่มปรองดองกันเจนกระตั้งคลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับไม่เคยตั้งมวยกันมาก่อนมาบรรยากาศดีๆได้ปกคลุมไปทั่วบริเวณกลุ่ ม, มหญ่ใจดีที่ออกร้านอยู่ข้างต่างกับภาคกักรู้สึก alert เ, เบิกบานและก็เกิดอาการ อินไปกับความสนุกสนานของกลุ่มเด็กๆ ก, กลุ่มนี้ด้วยแต่เหตุใ้เองกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้นจึงได้เอาขนมอร่อยๆที่พวกเขามีมาแจากสมทบเพิ่มเติมซึ่งก็ทําให้เด็กๆทุกคนต่างก็รู้สึกดีใจงานยกใหญ่เมื่อพวกเด็กๆได้ดรับขนมจากกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีที่ออกร้านอยู่ก้กางๆแล้วอเด็กๆ ก, ก็ได้ซองตอขนมไปแก่กันและกันอย่างมีความสุขสนุกสนาน ในช่วงเวลาการแบ่งปันนี้เองเด็กๆทุกคนก็สำหรับได้ถึงความประทับใจ ย, ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นและแบ่งบานจไในดวงใจใ น, น้อยๆของพวกเขาว่าการให้การดีกว่าการแย่งการตั้งเยอะไดเห็นไดเองเด็กๆทุกคนยังเคี้ยวขนมกันกอย่างมีความสุขกว่าทุกกำลังที่ผ่านมาเพราะในขนมที่อร่อยนั้นมีรสแห่งการให้และมิตภาพผาสมอยู่ด้วยนั่นเอง แล้วขณนะที่พวกเด็กๆ ก, กําลังทานขนมวันหยังอ ร, อร่อยๆอยู่นั้นเด็กนมที่มีบุคลิกงดงามซึ่งนั่งอยู่กลางวงเด็กๆ ก, ก็จะเล่าเรื่องโนะ้ตเรื่องนี้ที่สนุกให้พวกเด็กๆในหัวเราเ อ, อิบอากกันอย่างเบิกบานและก็มีความสุขนี่นะซึ่งแท้ที่จริงแล้วเด็กนมนที่มีบุคลิกงดงาม ราคเทพบต์จำแรงคนนี้ก็คือพระราชโ อ, อรสหรือพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นเองนี่นะจ๊ะซึ่งจาเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้ท่านมหาเสนาบดีมองพระราชอารถ์ด้วยความรู้สึกแปลกใจว่าเหตุชะไหนตอนที่พระราชาและพระราชาออรสจะได้ประชมการฝึกของนักเรียนเตรียมทหารในครั้งนั้น พระราชโอรสจึงทรงทอบและในการฝึกของเรานรักเรียนเตรียมทหารที่แลดูตื่นเต้นและใจด้วยความรู้สึกที่เรียบเฉยและสงบนิ่งรากับภูเขาหินที่ไม่หวั่นไหวต่อลมและฝนนี่นะแต่พอมาตอนนี้พระราชโอรสทรงดูเหมือนกับเป็นคนละคนคือพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์เลยแม้แต่นิด แทบยังซองดูบทบดสบายสบายเป็นกันเองให้ควา ม, มรู้สึกที่ก ล, กลมกลืกล่อนก็ไปกับเด็กๆอย่างมาก <Okay. S 1> จนกระทําให้พระองค์กลายเป็นขวัญใจหรือเป็นฮีโร่ที่ดึงดูดให้เด็กอยากที่จะเข้าใกล้ทั้งพระองค์ก็ยังทำให้พวกเด็กๆที่กำลังทะเลาะกันแทบจะแลกหมัดสามารถเปลี่ยนใจกลับกลายมาปลองดองสามเมื่อกี้กันแล้วก็รักกันเหมือนอยางกับคนที่รู้จักกันมา น, นานอีกด้วย ที่สำคัญคำสอนที่พระราชาลอสส่งแนะนำและอบรมพวกเด็กๆรู้จักที่จะแบ่งปันและการเสียสละก็ล้วึเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่กระทําให้ท่านมหาเสนาบดีรู้สึกเคารพรักศรัทธาแล ะ, ะเพิ่มในตัวพระราชาลอสอย่างมากคือพฤติกรรมนั้นก็อยู่ในสายตาของท่านมหาเสนาบดีนี่เลยจ้ะเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยท่านมหาเสนาบดีจึงคิดอยากจะทูลถาม คำถามที่ค้างคาใจกับพระราชโอรสซึ่งช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุดที่จะเคลียร์คลาดชัดเจนกับคำถามที่คาใจนั้นพระมหาเสนาบดีเห็นว่าจังหวะและโอกาสที่ตัวท่านจะทูลถามคำถามม่ถึงแล้วท่านจึงค่อยๆกระดึบกระดึบค่อยเดยวเข้าไปใกล้พระราชโอรสแร้วก็ย่อขาลงแล้วก็กล่าวคำถามอย่างนอบน้อมว่า ราชท์นี้ในโรงเรียนทุบาลอาจจะไม่ถูกสมบูรณ์เลยจ้ะก็แต่พระอายามิพ้นเกล้าอทาไมาพระองค์ละก่อนที่ท่านมหาเสนาพดีจะพูดจบพวกเราเราก็ชิงตอบซะก่อนว่าช้าก่อนเหเอ็ดไปตอนนี้พระราชบิดาได้เสด็จมาประทั์อยู่ที่เมืองนี้ เพื่อมาดู ง, งานเทศกาลฉลิมพระยาปีและสารณทุกสุขดิบของไร้ฟ้าประชาชนเป็นการส่วนพระองค์นี่เนาะส่วนตัวพระองค์เองก็อยากจะมาเที่ยวชมงานเทศกาลแบบเบิร์ดเบดสบายสบายโดยไม่ต้องมีขบวนติดตามแบบเป็นทางการแตนน่พระองค์ยังได้ปลอมตัวเป็นคนธัรมดามาเที่ยวชมงานอย่างที่เห็นอยู่นั่นเอง เต็งพระราจะออรรถกิจกรมชับกระทันมหาเสนาพอดีว่าเรื่องนี้ห้ามไปบอกใครเมื่อทันมหาเสนาพอดีได้ยินเช่นนั้นท่านก็พยักหน้าอย่างเข้าใจ <c oughs> แต่ยังไม่ทันที่ทันมหาเสนาพอดีจะได้ถามคําถามที่ค้างคายใจนะั้งานเทศกาลฉลองประจําปีก็ได้เริ่มขึ้นพอเป็นชนนี้ิดมหาเสนาพอดีจึงต้องฉลอและเก็บคําถาม <c oughs> นิ้ไว้ก่อนเนาะ แล้วพระราชาลดซึ่งบัด น, นี้ได้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กไปแล้วโดยปริยา ย, ก, ยก็ได้พาพวกเด็กๆไปเที่ยว ง, งานเทศกาลในส่วนอื่นๆตอโอดยท่านซุปเปอร์สตาร์หรือท่านมหาเสนาบดีซุปตานี่นะร้ อ, องกับเพื่อนเพื่ อ, องท่านตามประกบอบเป็นซูเป อ, อร์วีไกด์หรบอดี้กาเป็นตัวออบอดี้กา เระกรมงำพระราชาอรถเดินทางมาถึงบริเวณพิธีที่สำคัญที่สุดในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ซึ่งก็คือลานประเพณีชิงชาดดอกไม้ถือ ท, ทุกคนก็ได้เห็นบริเวณพิธีได้ถูกตกแต่งและจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการโอราณสถานอีกทั้งบริเวณที่จัดประเพณีชิงชาดดอกไม้นี่ยังเนืองนันละเต็มขนาดไปได้วยผู้คนที่ต่างกันมา เฝ้าราดูประเพณีชิงชาดดอกไม้นี้อยังใจจดใจจ่อเลยสำหรับลานที่ใช้จัดประเพณีชิงชาดดอกไม้นี่ก็ประกอบไปด้วยหอคอยเชื่อคราวที่ทำด้วยไม้สูงประมาณห้าช่วงคนจานวนทั้งหมดหหลังโดยแต่ละหลังจะอยู่ล้อมรอบลานประเพณี แล้วก็จะมีเชื่อกผูกโยกยากยอดหอคอยของแต่ละหลังไปยังยอดหอคอยที่อยู่ฟังตรงกันข้ามซึ่ง จ, ดจุดัดแกันของเชือกที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นตำแหน่งสำหรัแขวนช่อดอกไม้ขนาดใหญ่เอาไว้ส่วนพื้นที่ว่างตรงกลางที่อยู่อรว่างหอคอยทั้งหมดนั้นก็จะถูกยกพื้นให้สูงขึ้นกว่พื้นโดยรอบก็ื่จะเป็นเวทีสําหรับคนที่จะมาจริงช่อดอกไม้ ในขณะที่พระราชโอรสและแก๊งเด็กๆกำลังตื่นตาตื่นใจกับบริเวณพิธีที่จัดที่มีการจริงชาดอกไม้อยู่ทั้นไทยมหาเสนาบดีกระดับหน้าที่เป็นไกล้จำเป็นแล้วก็อธิบายให้ทุกๆคนฟังว่าลานหอคอยแห่งนี้เนี่ยเป็นลานประเพณีสำหรับการแข่งขันจริงชาดอกไม้ซึ่งถือว่า เป็นประเพณีสำคัญประจำปีของเมืองที่จัดขึ้นไปเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละปีโดยถ้าใครสามารถที่จะชิงช่อดอกไม้ที่แขวนอยู่บนหอคอยนี้ไปได้ก็จะได้รับเงินรางวัลและช่อดอกไม้นี้ไปประดับไว้ที่หน้าบานตลอดทั้งปีและมันไม่เหี่ยวเลยจนีึงสงสัยจะเป็นดอกไม้พลาสติก พอเป็นดอกไม้แห้งนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสําหรับคนในเมืองนี้เลยทีเดียวสําหรับการชิงช่อดอกไม้นั่นก็จะมีข้อแม้อยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือคนที่เข้าชิงช่อดอกไม้ห้ามห้ามทําให้ช่อดอกไม้ตกลงพื้นอย่างเด็ดขาดซึ่งจะเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไม่มีใครสามารถชิงการช่อดอกไม้นี้ไปได้เลยอ่าแล้วนี่เนาะ หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ ง, งานพิธีประเพณีชิงชาดไม้จบลง mm hmm. ทุกทนต่งนางก็ได้รีบไปจับจองที่นั่งอยู่ข้างๆเวทีด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและตั้งนาต่างๆรอดูอย่างใจจดใจจ่อ mm hmm. ในขณะนั้นก็มีกลุ่มชาวบ้านหลายๆกลุ่มได้ขึ้นไปบนเวที เพที่จะจิงเอายอดดอกไม้ตะขวนหยุดตรงกลางระหว่างหอคอยทั้งหมดลงมาให้ได้โดยบางกลุมก็ได้ทําการต่อทัวขึ้นไปหลายๆชั้นแต่พอต่อตัวกันขึ้นไปได้แค่สามชั้นกระพายกัะล่มลงมานอนแล้ว <c oughs> แอ่งแมงอยู่กับพื้นนี่นะจ๊ะส่วนบางกลุมก็นำวัาไม้มาต่อกันให้ยา ว, ยาว <c oughs> เพื่อจะส่ยชอดดอกไม้มงคลดังกล่าว แต่พอไม้ถูกต่อยยามากเข้ามากเข้าตรงปลายของท่อนไม้ที่ถูกต่อไปก็จะมีน้ําหนักที่มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สดุดท่านไม้ไม่อาจจะทรงตัวอยู่ได้แล้วก็หกล้มลงอย่างไม่เป็นหน้าเพื่อนง่ายๆว่าแหวแล้ว <Hell. S 1> จากนี้ก็มีบางกลุ่มที่ฟิตมากๆ <Okay. S 1> หรือเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแต่เพื่อนคนนึงในกลุ่มใช้ไม้ค้า ค้ำถอ่ถอถ่อตัขึ้นไปปฏิตัวร์เขาจะได้ไปอยู่ที่ปลายไม้ด้านบนส่วนเพื่อนในกลุ่มที่เหลือก็ได้ช่วยกันยกไม้ค้ำถ่อนั้นขึ้นซึ่งทีมนี้ก็ได้สร้างความลุ่นออรทึกรัศกดสายตาของพวกชาวบ้านทุกทุกคนจะทํำให้ทุกทุกคนที่อรอลุ้นต่างอยู่ในการปาก อ, าอากา้าตาค้างพระทีมนี้สามารถที่จะยกไม้ค้ำถ่อให้สูงขึ้นไปได้ เรื่อยๆจากกะตที่เขาได้อยู่ตรงปลายไม้อยู่ในระยะที่เกือบจะถึงช่อดอกไม้ในระดับเส้นจะแดงมหาแปดแต่ขณานด้นเองกณะที่ชายหนุ่มที่หยุดตรงปลายไม้กำลังจะเ อ, อื้อมมือไปเก็บช่อดอกไม้เสียงเปลี้ย ก, ก็ดังขึ้นแล้วเสียงกล่มใหญ่กระดังสนัน่นไล่เรียทตามมารอมายกำธรได้หักโคตรมาซะก่อน แต่เห็นเองยังไงพวกชาว บ, บ้านก่กําลังปากอา้าตาค้างเพราะลุนระทึกกับการชริงยอดอกไม้ของทีมนี้ก็ได้เปลี่ยนอารมณ์อย่างฉับพลันมาเป็นขากันไก่คางพอแต่ละคนต่างหัวล็อกกันสะท้อนัาต้องแข็งแบบน้นําน้ำตาไหลนี่ยจ้ะซึ่งในช่วงนี้แต่และทีมกําลังคิดหาวิธีชิงยอดดอกไม้ลงมาให้ได้นันบรรยากาศในงานเฉ ล, มเลิมฉลองก็เต็มเมปียด้วยความสนุกสนาน เสือพวกเด็กๆ็มีความสุขและหัวเละเอิอก๊กอักเบิกบานกันอย่างสุดๆ <Okay. S 1> และในระหว่างนั่นเอง <Okay. S 1> พวกเด็กๆ ก, ก็พากันหามาทางพระราชโอรส <Okay. S 1> ล้อกับรบเร่าให้พระราชโอรสไปชิงช่อดอกไม้เ oh. <laughs> พื่อทีจะได้นำเอาเงินรางวัลมาซื้อขนมแบ่งกัน <laughs> แต่พระราชโอรสได้ยินเด็กๆกบรบเล้าอย่างนั้น นความที่พระงองทรงเมตตาและเอ็นดูต่อเด็กๆก็กับพระองก็ทรงนึกอยากที่จะเล่นสนุกสนุกขึ้นมาด้วยแต่เองพระองจ์ยังเกิดอาการพระไทยอ่อนแต่นั้นพระองจ์ังหันไปมองทางท่านมหาเสนาบดีพอสอบตากันก็รู้จใจกันทันทีว่าต้องการอะไร แล้วพรองก็ตรัสว่ามาเรามาลองดูกันซึ่งก็ทำให้พวกเด็กๆได้เฮกันลั่นไปทั่วทั้งลานประเพณีจากนั้นพระราชโอรสก็ได้หารือเริ่มกันทั้งมหาเสนาบดีประวังยศวิธีชิงช่อ ด, ดอกไม้มซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงไม่รู้ว่า จะต้องทำอย่างไรหรือคงจะไม่งงแต็ ก, กมลตุบ๊บรนะกนากรลมชาวบ้านที่พากันขบคิดแสวงหาวิธีการและเตรียมการลงหน้ากันมาเป็นปีๆก็ยังทำไม่สำเร็จแต่พระราชโอรสเพิ่งจะมีโอกาสได้ประชมงานประเพณีนี้เป็นครั้งแรกกล่าไปความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ แล้ว่อพระองค์ตัดสินพระทัยแล้วก็ไม่เปลี่ยนความตั้งใจด้วยนี่นะจ๊ะแต่ความมุ่งมั่นของพระองค์นี้เองจึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีเกิดความประทับใจในพระราชโอรสเป็นอย่างยิ่งในขณะที่พระราชโอรสกับท่านมหาเสนาบดีเนี่ยต่างกำลัง brainstorming เรล่มระดมความคิด หาวิธีการชิงชาตด อ, อกไม้อยู่นั้นพระเอารถก็เกิดปิ๊งไอเดียเจงิงๆขึ้นมาเลยจากนั้นพระงองคก็ทรงเรียกประชุมทีมงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มของท่านมหาเสนาบดีและกลุ่มพระพวกเด็กๆพอแบ่งทีมและชี้แจงนาทีของแต่ละคนซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ okay. นี่ลงารายละเอียดมากไปไหมจเนี่ย <c oughs> ทเทมที่หนึ่งประกอบด้วยพระราชโอรสพร้อมด้วยเหล่าเพื่อนทหารท่านมหาเสนาบดีและหัวหน้าแก๊งของพวกเด็กๆหรือเด็กที่เป็นหัวโจกซึ่งเทมนี้จะต้องนำเอาเด็กที่เป็นหัวโจกใส่ตะกร้า <c oughs> อ้า แล้วสะพายไว้ที่หลังจะได้กระเพียงไปตามขั้นบันไดของหอคอยจนไปถึงชั้นที่มีการผูกเชือกเอาไว้อโอ้เล่นฉลาดนะเมื่อไปถึงชั้นนั้นแล้วทีมนี้ก็ได้ใช้ตะขอเกี่ยวตะกร้ากับเชือกที่ผูกโยงระหว่างห OK อคอยกันไว้ด้วยกันเ OK สร็จแล้วก็ทิ้งเชือกที่ผูกตะกร้าไว้ลงมาทางด้านล่าง เพื่อให้พวกเด็กๆที่เหลือที่รอยอยู่ทางด้านล่างจะกันหนึ่งปลายเชือกชักรืารันนั้นไปจนถึงตำแหน่งตรงกลางซึ่งเป็นจุดที่มีการผูกช่อดอกไม้เอาไว้นั่นเองออเล่นฉลาดเนาะในขณะเดียวการทีมที่สองซึ่งประกอบด้วยตัวท่านมหาเสนาบดีกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ก็ได้นำมาธนูมาผูกเชือกจากนั้นก็ยิงธนูด้วยความแม่นยำโดยฝีมือของท่านมหาเสนาบดีนะเจ้าเข้าไปที่ตรงกลางห่วงดอกไม้แบบเป๊ะๆอืมนี่เนาะเมื่อเชือกที่ผูกติดกับธนูร้อยพ่างไปที่ตรงกลางห่วงของช่อกดอกไม้แล้วส่วนปรากฏธนูก็พุ่งไปปักติดกับยอดของหอคอที่อยู่ฝั่ง ตรงข้างกันอย่างแน่นปุ๊กเลยเ อ, อ, อนี่นะตัดห่วงทั้งหมดห่วงเลยนี่น <No. S 2> าะพอพวกเด็กเช่กันชักรูดเชือกแบบประสานประสานเสียงคุยเลยคุ ย, ยนะี่นเปดึงตะกร้าไปจนถึงตรงกลางหอคอยแล้วตันฑนั้นเ อ, องหัวหน้าของพวกเด็กๆหรือจะเป็นเด็กหัวโจก อยู่ในตะกร้าก็ได้ใช้มีดทาการตัดเชือกที่ปูกอยู่กับยอดอกไม้มงคล น, นั้นทันทีที่เชือกขาดยอดอกไม้มงคลก็รู้สไลด์แล่นลงมาตามสายของเชื อ, อกธนูเนี่ยที่ร้อยอยู่ตรงกลางอย่างสโลโมชั่นด้วยอืมโดยใจของทาลีลางงดงามและในสุดยอดอกไม้มงคล น, นั้นก็ผอกสูงเบ่งท่านมหาเสนาบดิแบบชิวชิว ตามได้เสียงเรามาหาจนที่คอยเชยร์ล้นอรทึกอย่างกึอกล้องชายโยเสื้อผู้รีเด็กก็ดีใจนี่นะกระโดดโลดเต้นจนตัวลอยนี่นะลองันอย่างสนุกสนานเลยเสื้อพระราชอรรซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียสุดเจิงนี่ก็ได้แสแดงอาการดีใจด้วยการยิ้มน้อยๆแต่พองาม ตามสไตล์คนหลออขั้นเทพเมื่อพระราชลถได้รางวัลมาแล้วผมก็จะไปซื้อขนมแล้วของต่างๆมีจานวนมากมาแจกเด็กๆกันอย่างทั่วถึงจึงทำให้เด็กๆทุกคนได้รับความสนุกสนานเบิกบานแล้วก็รรู้สึกประทับใจกันเป็นอย่างมากนี่เนาะหลังจากที่งานประเพณี ชิงชาดอกไม้จบลงท่านมหาเสนาบดีก็ได้นําชอดอกไม้มงคล น, นั้นไปติดประดับไว้ที่หน้าบานซึ่งชาดอกไม้แห่งเกียรติยศนี้ถือเป็นชอดอกไม้แห่งความทรงจําอันแสนประทับใจเพราะทําไมท่านมหาเสนาบดีเด่นหนึ่งบุคลิกอันเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและไป็ถือพระองค์ของพระราชาอรรถ อีกทั้งยังทําให้ท่านมหาเสนาบดีได้เห็นพระอัจฉริยภาพเั็นยอดเยี่ยมในการวางแผนของพระองค์อีกด้วยหลังจาที่ท่านมหาเสนาบดีไดนมชาดังไม้มงคลไปติดประดับพิธีนาบ้า ง, งท่านพิธีเรียบร้อยแล้วท่านมหาเสนาบดีก็จะได้ทราบเรื่องจากคุณพ่อของท่านจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ว่าในตอนนี้เนี่ยพระราชาและพระราชโอรส ได้เสดจพระท่าพระเนตรงานเทศกาลฉลองประจำปีที่เมืองนี้เป็นการส่วนพระองค์เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงท้าพระเนตรความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในกอ ง, องพระองค์อย่างใกล้ชิดเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้ทราบเรื่องจากคุณพ่อของท่านซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เช่นนั้นท่านมหาเสนาบดีก็อดไม่ได้ที่จะอมยิ้มอยู่ในใจ ทีเป็นเช่นกับพระทัวร์ท่านเพิ่งได้ไปพบกับพระราชโอรสถึ่งได้เสด็จลอบออมมาจากพระปราที่ประทับพระรงฆ์ต้องการที่จะเห็นความอยู่ของพระสนิ์กรอย่างใกล้ชิดมาเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญตัวท่านมหาเสนาบดีเองยังได้ปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ตื่นเต้นและสนุกสนานก็ร่วมกับพระราชโอรสมาด้วยนั่นก็คือการจิงช่อ ด, ดอกไม้มงคล และจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ยิ่งทําให้ตัวท่านเองรู้สึกปลาบปลื้มในพระปีชาสามารถรับปฏิพานไหวพริบของพระราชโอรสอย่างสุดๆอีกทั้งยังทำให้ท่านมหาเสนาวดีมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระราชโอรสมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยส่วนพระราชโอรสหลังจากได้ร่วมปฏิบัติการ ชิงชาดอกไม้มงคลร่วมกับท่านมหาเสนาบดีในงานเทศกาลเฉลิมฉลองประจําปีของเมืองในครั้งนี้แล้วพระองค์ทรงรู้สึกชื่นชมในฝีไม้ลายเมืองท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากในต่างก็ปลื้มซึ้งกันละกันเนาะเพราะฝีไม้ลายเมือของท่านมหาเสนาบดีนะั้นไม่ธรรมดาจริงๆอืม Ha, ha, ha.